เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติแล้วพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลาบากไม่ยากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนตกรคนชอบเล่ากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในหมวดของนิทานนิทานที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของปากครับปากปากมีอะไรบ้างปากสามารถแสดงถึงคําพูด ต่างๆไม่ว่าจะดีจะร้ายและคําพูดจากปากก็จะสื่อไปถึงหูของผู้ที่ได้ยินว่าจะฟังให้ออกมาเป็นความหมายได้อีกเหมือนกันเอาละครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคําโกหกหรือคําเล่าลือถ้าหากถูกนําไปแพร่หลายซ้ําๆกันหลายๆครั้งชาวบ้านทั่วๆไปก็อาจจะเข้าใจเรื่องที่ไม่ดํารงอยู่หรือไม่เป็นความจริงคิดว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงและเป็นความจริงได้ในที่สุด ในวัฒนธรรมจีนมีนิทานเรื่องหนึ่งชื่อว่าสามปากหรือล่่นกลายเป็นเสือก็ได้เล่าถึงเรื่องนี้เช่นกันในสมัยจั้นกว่วของจีนในศตวรรษที่หก่อนคริสต์ศักราชมีรัฐเล็กๆํกกำรงอยู่ด้วยกันหลายรัฐระหว่างรัฐเหล่านี้มักทาสงครามกันอยู่เสมออันสืบเนื่องจากมีข้อพิพาทเรื่องดินแดนสังคมมีความปั่นป่วนต่อเนื่องกันมาในเวลานั้น รัฐเว่ยกับรัฐเจ้ามีพรมแดนอยู่ใกล้เคียงกันได้ทําข้อตกลงเป็นพันธมิตรกันเพื่อให้การเป็นพันธมิตรมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่างจึงมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนตัวประกันกันดังนั้นเว่ยองจึงส่งส่งพระราชบุตรไปเป็นตัวประกันที่เมืองหาน ต, ตันเมืองหลวงของรัฐเจ้าและเพื่อความปลอดภัยของพระราชบุตรเว่ยองสรงตกลงให้ผังชงขุนนางผู้ใหญ่ตามเสด็จพระราชบุตรไปรัฐเจ้าด้วย ผังชงเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถของรัฐเว่ยในราชสำนักมีขุนนางไม่น้อยที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับเขาดังนั้นผังชงจึงวิจกว่าเมื่อตนได้เดินทางออกจากเว่ย อ, อกไปแล้วจะมีคนช่วยโอกาสใส่ร้ายเขาก่อนออกเดินทางเขาจึงทูลถามเว่ย อ, อกว่าฝ่าพระบาทหากมีผู้คนผู้หนึ่งทูลว่าที่ถนนมีเสือตัวหนึ่งพระองค์จะทรงเชื่อหรือไม่เวยองกระทรงตอบว่าเราไม่เชื่อหรอก เสือจะมาวิ่งอยู่ที่ถนนได้อย่างไรผังชงทุนถามต่อไปอีกว่าหากมีคนที่สองมาทุลว่าที่ถนนมีเสือตัวหนึ่งพระองค์จะทรงเชื่อหรือไม่เวย อ, องก็ะส่งตอบว่าถ้ามีคนสองคนต่างพูดเช่นนี้เราก็ชักจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะนะผังชงถามอีกว่าหากมีคนสามคนทุนว่าที่ถนนมีเสือตัวหนึ่งพระองค์จะทรงเชื่อหรือไม่ เวอองทรงตอบอย่างนังเลียอยู่บ้างว่าถ้าทุกคนต่างพูดเช่นนี้เราก็น่าจะต้องเชื่อแล้วแหละผังชงได้ยินเวอองทรงตอบเช่นนี้ก็ยิ่งมีความคิดวิตกกังวลเขาถอนใจกล่าวกับฟาบาดฟาบาดลองทรงคิดดูไม่ว่าใครย่อมรู้ดีว่าเสือจะไม่วิ่งผ่านมาที่ถนนแต่เมื่อมีสามคนมากราบทูลว่ามีเรื่องที่ถนนใหญ่มีเสือก็ ก, กลายเป็นความจริงไป ระยะทางจากเมืองหานตันมาถึงตัวเมืองต้าเหลียง น, นครของรัฐเว่ยนั้นย่อมไกลกว่าระยะทางจากพระราชวังถึงถนนใหญ่มากมายนักและผู้ที่จะวิาพากษ์วิจารข้าพระองค์รับหลังนั้นย่อมมีไม่ใช่เพียงสามคนเพียงเท่านั้นเมื่อเว่ยออกได้ยินก็ทรงเข้าพระทัยในความหมายของผังชมก็ส่งพยักผพักตรัสว่าความในใจของเจ้าเรารู้แล้วเจ้าจงวางใจและเดินทางไปเถิด ภายหลังที่ผังชงออกเดินทางไปไม่นานก็มีคนหลายคนทูลใส่คล้ายหาความผังชงต่อเวอองจริงๆเมื่อเริ่มแรกเวอองยังทรงแก้ต่างให้ผังชงตรัสว่าเขาเป็นขุนนางผู้ใหญ่ที่มีความสามารถและมีความซื่อสัตย์จงรักภักดียิ่งนะักแต่เป็นข่าวเคราะห์เมื่อศัตรูทางการเมืองของผังชงทูลใส่คล้ายหาความผังชงต่อเวอองครั้งแล้วครั้งเล่าเวอองจากที่ไม่เคยเชื่อ ก็ค่อยๆเชื่อคำกลาบทุนของคนพวกนั้นจริงๆต่อมาภายหลังหลังจากผังชงเดินทางจากรัฐเจ้ากลับมารัฐเว้ยแล้วเว่ยออกไม่เคยให้ผังชงเข้าเฝ้าอีกเลยแล้วก็ยังมีนิทานแถมอีกเรื่องหนึ่งที่คล้ายๆกับเรื่องนี้เจิงชานนักวิชาการที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในสมัยจั้กาก๋วเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ามีคุณธรรมอันสูงส่งเจิงชานออกไปธุระนอกบ้านยังไม่กลับบังเอิญ มีคนผู้หนึ่งที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกันกับเขาไปฆ่าคนตายและโดนจับได้เพื่อนบ้านของเจิงชานาเมื่อทราบข่าวก็รีบนำไปแจ้งแต่แม่ของเจิงชานว่าลูกของท่านฆ่าคนตายโดนจับได้แล้วแม่ของเจิงชานนั้นเข้าใจลูกชายของตนเองเป็นอย่างดีมั่นใจว่าเจิงชานไม่อาจฆ่าคนได้หรอกจึงยังคงนั่งทอผ้าของตนต่อไปอีกสักครู่มีคนหนึ่งมากล่าวต่อหน้าแม่ของเจิงชานอีกว่า ลูกของท่านฆ่าคนตายแม่ของเจิงชานก็เกิดความสงสัยอยู่บ้างแต่ก็ยังคงไม่เชื่อว่าลูกชายของตอนเองจะฆ่าคนได้ต่อมาอีกสักครู่ก็มีคนที่สามมากล่าวต่อแม่ของเจิงชานอีกว่าลูกของท่านฆ่าคนตายจริงๆตอนนี้แม่ของเจิงชานเกิดอาการวันไหวสุดขีดนางกลัวจนทิ้งงานในมือแล้วก็รีบหนีออกไปจากบ้านนั่นเลยปัจจุบันสำนวนสามปากกลือลั่นกลายเป็นเสือ หรือเจองชาญฆ่าคนก็ได้ถูกนํามาใช้เป็นอุปมาอุปไมยว่าคําพูดของคนนั้นหรือพลังของบัติชนมันน่ากลัวซสยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นนี่ก็คือนิทานเกี่ยวกับความเชื่อกับข่าวลือนะครับก็หวังว่าจะได้รับสาระและประโยชน์จากนิทานเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนะครับขอให้มีความสุขในการได้รับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ